อุปาหิกายะอุปสมณะว่าด้วยการระ ง, งับอธิกรณ์ด้วยอุปาหิกะวิธีภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกษุเหล่านั้นวินิจฉัยอธิกรณ์นั้นอยู่มีเสียงเสียงแซ่เกิดขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีใครทราบความแห่งถ้อยคําที่กล่าวแล้วนั้นเราอนุญาตให้ระ ง, งับอธิกรณ์เห็นปานนี้ด้วยอุปาหิกะวิธีภิกษุผู้ประกอบด้วยองคุณสิประการ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 ย่อมสันเสริมพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนทำทั้งหลายเห็นปานนั้นย่อมเป็นอันเธอสดับมากทรงไว้สังสมด้วยวาจาเข้าไปเพ่งด้วยใจประจักษ์ชัดดีแล้วด้วยทิฏฐิ 3. จำปาติโมกทั้งสองได้ดีโดยพิสดารจำแนกดีสวดดีวินิจัยถูกต้องโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะ 4.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 เราอนุญาตให้แต่งตั้งภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์คุณสิบนี้โดยอุปาหิกะวิธีวิธีแต่งตั้งและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายทรงพึงแต่งตั้งภิกษุนั้นอย่างนี้คือเบื้องต้นพึงขอร้องภิกษุครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงสารด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้า เมื่อพวกเราวินิจฉัยอธิกรณ์นี้อยู่มีเสียงเสียงแซ่เกิดขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีใครทราบอัดแห่งถ้อยคําที่กล่าวแล้วนั้นถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้ด้วยชื่อนี้ด้วยเพื่อระ ง, งับอธิกรณ์นี้ด้วยอุปาหิกะวิธีนี่เป็น ญ, ญตัติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าเมื่อพวกเราวินิจฉัยอธิกรณ์นี้อยู่มีเสียงเสียงแซ่เกิดขึ้นไม่มีที่สิ้นสุด และไม่มีใครทราบความแห่งถ้อยคำที่กล่าวแล้วนั้นทรงแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้ด้วยชื่อนี้ด้วยเพื่อระงับอธิกรานี้โดยอุปาหิกะวิธีท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้ด้วยชื่อนี้ด้วยเพื่อระงับอธิกรานี้โดยอุปาหิกะวิธีท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงภิกษุชื่อนี้ด้วยชื่อนี้ด้วย สง์แต่งตั้งแล้วเพื่อรังงับอธิกรณ์นี้ด้วยอุปาหิกะวิธีสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเหล่านั้นสามารถรังงับอธิกรณ์นั้นด้วยอุปาหิกะวิธีนี้เรียกว่าอธิกรณ์รังงับแล้วอธิกรณ์ระงับด้วยอะไรด้วยสามุขาวิไยในสามุขาวิัยนั้นมีอะไรบ้าง มีความพร้อมหน้าธรรมความพร้อมหน้าวินัยความพร้อมหน้าบุคคลภิกษุทั้งหลายถ้าอาธิกรณ์ระงับแล้วอย่างนี้ผู้ทํารื้อฟื้นต้องอาบัติปาจิตติที่รื้อฟื้นภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกษุเหล่านั้นวินิจฉัยอธิกรณ์นั้นอยู่ในบริษัทนั้นเกิดมีภิกษุ ธ, ธรรมกรถึกภิกษุนั้นจําสูตรไม่ได้เลยจําวิพัง์แห่งสูตรก็ไม่ได้ภิกษุนั้นไม่ได้สังเกตใจความ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 พวกเราพึงขับภิกษุชื่อนี้ให้ออกไปแล้วที่เหลือพึงระงับอธิกรณ์นี้ภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเหล่านั้นขับภิกษุนั้นออกไปแล้วสามารถระงับอธิกรณ์นั้นได้นี้เรียกว่าอธิกรณ์ระงับแล้วอธิกรณ์ระงับด้วยอะไรด้วยสา ม, มุขาวินยัยในสา ม, มุขาวินัยนั้นมีอะไรบ้างมีความพร้อมหน้าธรรมความพร้อมหน้าวินยัยความพร้อมหน้าบุคคล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 ผู้ทำรื้อฟื้นต้องอาบัตปาจิตตีที่รื้อฟื้นเยผูยศกาวินยัยภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเหล่านั้นไม่สามารถระ ง, งับอธิกรนั้นด้วยอุปาหิกะวิธี ภิกษุเหล่านั้นพึงมอบอธิกรณ์นั้นแก่สมว่าท่านผู้เจริญพวกข้าพเจ้าไม่สามารถระงับอธิกรณ์นี้ด้วยอุพาเหกะวิธีขอสงบนั่นแหละจงระงับอธิกรณ์นี้ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ระงับอธิกรณ์เห็นปานนี้ด้วยเยผุยสกาพึงแต่งตั้งภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์คุณหให้เป็นผู้ให้จับสลากคือหนึ่งไม่ลำเอียงเพราะชอบสองไม่ลำเอียงเพราะชัง สามไม่ลำเอียงเพราะหลงสี่ไม่ลำเอียงเพราะกลัวหพึงรู้จักสลากที่จับแล้วและยังไม่จับวิธีแต่งตั้งและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงแต่งตั้งอย่างนี้เคอเบื้องต้นพึงขอให้ภิกษุรับครั้นแล้วพิษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้า ถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงแต่ ง, ง, ง, ง, ง, งตั้งภิกษุชื่อนี้ให้เป็นผู้ให้จับสลากนี่เป็นยัติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าสงแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้ให้เป็นผู้ให้จับสลากท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้ให้เป็นผู้ให้จับสลากท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วง ภิกษุชื่อนี้สงแต่งตั้งให้เป็นผู้ให้จับสลากแล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ภิกษุผู้ให้จับสลากนั้นพึงให้ภิกษุทั้งหลายจับสลากพวกธรรมวาทีภิกษุมากกว่าย่อมกล่าวฉันใดพึงระงับอธิกรณ์นั้นฉันนั้นนี้เรียกว่าอธิกรณ์ระงับแล้วอธิกรณ์ระงับด้วยอะไร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 นี้ชื่อว่าความพร้อมหน้าสง์ในสมุขาวินัยนั้นอนหนึ่งความพร้อมหน้าธรรมความพร้อมหน้าวินัยในสมุขาวินัยนั้นอย่างไรอธิกรณ anyway. ์นั้นระงับโดยธร ร, รมโดยวินัยและโดยสัต네ุ์ศาสตร์ใดนี้ชื่อว่าความพร้อมหน้าธรรมความพร้อมหน้าวินัยในสมุขาวินัยนั้นอนหนึ่งความพร้อมหน้าบุคคลในสมุขาวินัยนั้นอย่างไร โจ์และจำเลยทั้งสองเป็นคู่ต่อสู้ในคดีอยู่พร้อมหน้ากันน้ชื่อว่าความพร้อมหน้าบุคคลในสา ม, มุขาวินัยนั้นอันหนึ่งในเยปุยสิกานั้นมีอะไรบ้างมีกริยาความกระทาความเข้าไปความเข้าไปเฉพาะความรับรองความไม่คัดค้านกรรมในเยพุยสิกาอันใดมีในเยพุยสิกานั้นภิกษุทั้งหลายอธิกรระงับอย่างนี้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 สมัยนั้นอธิกรณ์เกิดแล้วอย่างนี้อุบัติแล้วอย่างนี้ในกรุงสาวัตถีภิกษุเหล่านั้นไม่พอใจด้วยการระงับอธิกรณ์ของสงในกรุงสาวัตถีได้ทราบข่าวว่าในอาวาสโ น, นมีพระเถระอยู่หลายรูปเป็นพหูสูตรชัมนานปริยัตทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติ ก, กาเป็นบัณฑิตฉเฉลียวฉลาดมีปัญญามีความละอายมีความระมัดระวังฝ่ายการศึกษา ถ้าพระเถระเหล่านั้นพึงระงับอธิกรณ์นี้โดยธรรมโดยวินัยและโดยสัตุศาสตร์อย่างนี้อธิกรณ์นี้พึงระงับด้วยดีจึงไปสู่อาวาสนั้นแล้วเรียงกับพระเถระพวกนั้นว่าท่านผู้เจริญอธิกรณ์นี้เกิดขึ้นแล้วอย่างนี้อุบัติแล้วอย่างนี้ขอโอกาสขอรับขอพระเถระทั้งหลายจงระงับอธิกรณ์นี้โดยธรรมโดยวินัยและโดยสัตุศาสตร์ ตามวิถีทางที่อธิกรณ์นี้เพิ่งระงับด้วยดีพระเถระพวกนั้นช่วยระงับอธิกรณ์นั้นแล้วเหมือนอย่างที่สงในกรุงสาวัตถีระงับแล้วตามวิธีที่ระงับด้วยดีแล้วฉะนั้นครั้งนั้นภิกษุผู้ไม่ยินดีไม่พอใจด้วยการระงับอธิกรณ์ของสง์ในกรุงสาวัตถีนั้นไม่พอใจด้วยการระงับอธิกรณ์ของพระเถระมากรูได้ทราบข่าวว่าในอาวาสนน มีพระเถระอยู่สามรูปละถึงมีพระเถระอยู่สองรูปมีพระเถระอยู่รูปเดียวเป็นพระหูสูตรชำนาญปริยัตทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติ ก, กาเป็นบัณฑิตเฉลียวฉลาดมีปัญญามีความละอายมีความระมัดระวังฝ่ายการศึกษาถ้าพระเถระนั้นเพงรองับอธิกรณ์นี้โดยธรรมโดยวินัยและโดยสัตุศาสตร์อย่างนี้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 เราอนุญาตวิธีจับสลากสามอย่างคือปกปิดหนึ่งกระซิบบอกหนึ่งเปิดเผยหนึ่งตามความยินยอมของภิกษุพวกนั้นภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งวิธีจับสลากปกปิดเป็นไนภิกษุผู้ให้จับสลากนั้นพึงทําสลากให้มีสีและไม่มีสีแล้วก็ไปหาภิกษุทีละรูปทีละรูปแล้วแนะนําอย่างนี้ว่านี้สลากของผู้กล่าวอย่างนี้นี้สลากของผู้กล่าวอย่างนี้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 ถ้ารู้ว่าธรรมวาทีมากกว่าพึงประกาศว่าสลากจับดีแล้วภิกษุทั้งหลายวิธีจับสลากกระสิบบอกเป็นอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งวิธีจับสลากเปิดเผยเป็นไนถ้ารู้ว่าธรรมวาทีมากกว่าพึงให้จับสลากเปิดเผยอย่างแจ่มแจ้งวิธีจับสลากเปิดเผยเป็นอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายวิธีจับสลากสามอย่างนี้แหละ สติวินัยอนุวาตาธิกรระ ง, งับด้วยสมถะสี่อย่างอนุวาตาธิกรย่อมระ ง, งับด้วยสมถะเท่าไรอนุวาตาธิกรย่อมระ ง, งับด้วยสมถะสี่คือหนึ่งสามุขาวินัยสองสติวินัยสอมูลหาวินัยสตัสปาปิยะสิกาบางทีอนุวาตาธิกรไม่อาศัยสมถะสองอย่าง คือ 1. อมูรหาวินัย 2. ตัสปาปิยะสิกาแต่ระ ง, งับด้วยสมถะสองอย่างคือหนึ่งสามุขาวินัย 2. สติวินัยบางทีพึงตกลงกันได้สมจริงดังที่ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุทั้งหลายใส่ความภิกษุด้วยสิลวิบัติที่ไม่มีมูลสงพึงให้สติวิัยแก่ภิกษุนั้น พูดถึงความไพบู์แห่งสติอยู่แล้ววิธีให้สติวินัยและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงให้สติวินัยอย่างนี้คือภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาสงโหมอุตราสงเฉวงบาข้างหนึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญภิกษุทั้งหลายใส่ความข้าพเจ้าด้วยศีลวิบัติที่ไม่มีมูลท่านผู้เจริญข้าพเจ้านั้นถึงความไพบูนแห่งสติแล้วขอสติวินัยกับสง์ พึงขอแม่ครั้งที่สองพึงขอแม้ครั้งที่สามพิสุผู้ชลาสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติจตุตกรรมาวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าพิกษุทั้งหลายใส่ความภิกษุชื่อนี้ด้วยศีล ว, วิบัติที่ไม่มีมูลภิกษุนั้นถึงความพบูบุ์แห่งสติแล้วขอสติวินัยกับสงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วพึงให้สติวินัยแก่ภิกษุชื่อนี้ พูดถึงความไพบู์แห่งสติแล้วนี่เป็นญาติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าพิกษุทั้งหลายใส่ความพิกษุชื่อนี้ด้วยศีลวิบัติที่ไม่มีมูลภิกษุนั้นถึงความไพบูนแห่งสติแล้วขอสติวินัยกับสงฆ์สงฆ์ให้สติวินัยแก่พิกษุชื่อ น, นี้พูดถึงความไพบู์แห่งสติแล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้สติวินัยแก่พิกษุชื่อ น, นี้พูดถึงความไพบูนแห่งสติแล้ว ท่านรูปนั้นผึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าละถึงสติวิไนอันสงให้แล้วแก่ภิกษุชื่อนี้พูดถึงความไพ่บู์แห่งสติแล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าอธิกรณ์ระงับแล้วอธิกรณ์ระงับด้วยอะไรด้วยสามุขาวินัยกับสติวินยัยในสามุขาวินัยนั้นมีอะไรบ้างมีความพร้อมหน้าสงฆ์ความพร้อมหน้าธรรมความพร้อมหน้าวินยัยความพร้อมหน้าบุคคลอนหนึ่งความพร้อมหน้าบุคคลในสามุขาวินัยนั้นอย่างไรโจดและจำเลยทั้งสองอยู่พร้อมหน้ากัน นี้ชื่อว่าความพร้อมหน้าบุคคลในส ม, มุขาวินัยนั้นในสติวินัยนั้นมีอะไรบ้างมีกริยาความกระทําความเข้าไปความเข้าไปเฉพาะความรับรองความไม่คัดค้านกรรมคือสติวินัยอันใดนี้มีในสติวินัยนั้นภิกษุทั้งหลายถ้าอธิกรระงับแล้วอย่างนี้ผู้ทํารื้อฟื้นต้องอาบัตปาจิตตีที่รื้อฟื้น ผู้ให้ฉันทะติเตียนต้องอาบัตปาจิตตีที่ติเตียนปามูละหาวินันบางทีอนุวาธาธุกรณ์ไม่อาศัยสมถะสองอย่างคือหนึ่งสติวินัย2ตัดสปาปิยาสิกาแต่พึงรงรับด้วยสมถะสองอย่าง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 มีจิตแปรปรวนประพฤติเละ่อมละล้วว่าท่านต้องอาบัตแล้วจงระลึกอาบัตเห็นปานนี้ภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายผมวิกลจริตมีจิตแปรปรวนประพฤติเลอะเมิดสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณนะเป็นอาจินมากมายทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทําด้วยกายผมระลึกอาบัตนั้นไม่ได้ผมหลงได้ทําสิ่งนี้แล้วภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุนั้นกล่าวอยู่อย่างนั้น ก็ยังโจทย์ภิกษุนั้นอยู่ตามเดิมว่าท่านต้องอาบัตแล้วจงระลึกอาบัตเห็นป่านนี้คำขออะโมลหะวินัยและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงให้อะโมลหะวินัยแก่ภิกษุนั้นผู้หายหลงแล้วก็แล่สงพึงให้อะโมลหะวินัยอย่างนี้ภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาสงโหมอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งแล้วกล่าวคําขอว่า ท่านผู้เจริญกระผมวิกลจริตมีจิตแปรปรวนได้ประพฤติละเมิดสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณะเป็นอาจินมากมายทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทําด้วยกายภิกษุทั้งหลายโจกระผมด้วยอาบัติที่กระผมผู้วิกลจริตมีจิตแปรปรวนประพฤติละเมิดแล้วว่าท่านต้องอาบัติแล้วจงระลึกอาบัติเห็นปานนี้กระผมผู้กล่าวกับภิกษุพวกนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลาย กระผมวิเคราะห์จริตมีจิตแปรปรวนได้ประพฤต์ลเลิ่มสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณะเป็นอาจินมากมายทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทําด้วยกายกระผมระลึกอาบัตนั้นไม่ได้กระผมหลงได้ทําสิ่งนี้แล้วภิกษุทั้งหลายแม้กระผมกล่าวอยู่อย่างนี้ก็ยังโจกระผมอยู่ตามเดิมว่าท่านต้องอาบัตแล้วจงระลึกอาบัตเห็นปานนี้ท่านผู้เจริญกระผมนั้นหายหลงแล้ว ขออ ม, มูลหาวินัยกับสงฆ์พึงขอแม้ครั้งที่สองพึงขอแม้ครั้งที่สามภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยยติจตุกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้รูปนี้วิคโณจริตมีจิตแรปรโปรนได้ประพฤติละเมิดสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณนะเป็นอาจินมากมายทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทาด้วยกาย ภิกษุทั้งหลายโจทภิกษุนั้นด้วยอาบัตที่เธอผู้วิวกลจริตมีจิตแปรปรวนได้ประพฤต์ละเมิดแล้วว่าท่านต้องอาบัตแล้วจงระลึกอาบัตเห็นป่านนี้ภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายกระผมวิวกลจริตมีจิตแปรปรวนได้ประพฤต์ละเมิดสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณะเป็นอาจินมากมายทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทําด้วยกายกระผมระลึกอาบัตนั้นไม่ได้ กระผมหลงได้ทำสิ่งนี้แล้วภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุนั้นกล่าวอยู่อย่างนั้นก็ยังโจทย์ภิกษุนั้นอยู่ตามเดิมว่าท่านต้องอาบัตแล้วจงระลึกอาบัตเห็นป่านนี้ภิกษุนั้นหายหลงแล้วขออมูลหะวินัยกับสงถ้าสงพร้อมกันแล้วสงพึงให้อมูลหะวินัยแก่ภิกษุนั้นผู้หายหลงแล้วนี่เป็นยัตติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้า ภิกษุชื่อนี้รูปนี้วิกลจริตมีจิตแปรโปรวนได้ประพฤต์ละเมิดสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณะมากมายทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทําด้วยกายภิกษุทั้งหลายโจทภิกษุนั้นด้วยอาบัต ท, ที่ภิกษุนั้นผู้วิกลจริตมีจิตแปรโปรวนประพฤต์ละเมิดแล้วว่าท่านต้องอาบัตแล้วจงระลึอกอาบัตเห็นป่านนี้เธอกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลาย กระผมวิเคราจริตมีจิตแปรปรวนได้ประพฤติเลอะเมื่อสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณะเป็นอาจีนมากมายทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทาด้วยกายกระผมระลึกอาบัตนั้นไม่ได้กระผมหลงได้ทําสิ่งนี้แล้วภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุนั้นกล่าวอยู่อย่างนั้นก็ยังจวภิกษุนั้นอยู่ตามเดิมว่าท่านต้องอาบัตแล้วจงระลึกอาบัตเห็นป่า น, นี้ ภิกษุนั้นหายหลงแล้วขออมูลหาวินัยกับสงฆ์ทรงให้อมูลหาวินยัยแกภิกษุชื่อนี้ผู้หายหลงแล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้อมูลหาวินยัยแกภิกษุชื่อนี้ผู้หายหลงแล้วท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สองข้าพเจ ah ้ากล่าวความนี้ว่าแม้ครั้งที่สามข้าพเจ ah ้ากล่าวความนี้ว่าละถึง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 ความพร้อมหน้าบุคคลในอโมลหะวินัยนั้นมีอะไรบ้างมีคิริยาความกระทาความเข้าไปความเข้าไปเฉพาะความรับรองความไม่คัดค้านกรรมคืออโมลหะวินัยอันใดนี้มีในอโมลหะวินัยนั้นภิกษุทั้งหลายอธิกรระ ง, งับแล้วอย่างนี้ผู้ทำรื้อฟื้นต้องอาบัตปาจิตตีที่รื้อฟื้นผู้ให้ฉันทะติเตียน ต้องอาบัตปาจิตตีที่ติเตียนตัสปาปิยาสิกาวิไนาบางทีอนุวาธาธิกรไม่ไอายสยสมะทะสองอย่างคือ 1. สติวิไนสองอมูลหาวิไน แต่พึงระ ง, งับด้วยสมถะสองอย่างคือหนึ่งสามุขาวินยัยสองตัสปาปิยสิกาบางที่พึงตกลงกันได้สมจริงดังที่ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้โจทภิกษุด้วยครุกาบัตออาบัตหนักในท้ำกลางสงว่าท่านต้องครุกาบัตคืออาบัตรปราชิกหรืออาบัตที่ใกล้ปาราชิกแล้วจงระลึกอาบัตเห็นปานนี้ ภิกษุจำเลยนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผมระลึกไม่ได้เลยว่าต้องครุ ก, กาบาดเห็นป่านนี้คืออาบัดปาราชิกหรืออาบัดที่ใกล้ปราชิกภิกษุผู้เป็นโจท์นั้นย่อมคาดคั้นภิกษุจำเลยนั้นผู้เปลืองตนอยู่ว่าเอาเถิดท่านจงรู้ด้วยดีถ้าท่านระลึกได้ว่าต้องครุ ก, กาบาดเห็นป่านนี้คืออาบัดปาราชิกหรืออาบัดที่ใกล้ปาราชิกไซ ภิกษุจำเลยนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผมระลึกไม่ได้ว่าต้องครุกาบาตเห็นปาน่านนี้คืออาบัตปาราชิกหรืออาบัตที่ใกล้ปาราชิกแต่ระลึกได้ว่าต้องอาบัตแม้เล็กน้อยเห็นปาน่านนี้ภิกษุผู้เป็นโจท์นั้นย่อมคาดขัขนภิกษุจำเลยนั้นผู้เปลืองตอนอยู่ว่าเอาเถิดท่านจงรู้ด้วยดีถ้าท่านระลึกได้ว่าต้องครุกาบัตเห็นป่านนี้ คืออาบัตปราชิกหรืออาบัตที่ใกล้ปาราชิกภิกษุจําเลยนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผมต้องอาบัดเล็กน้อยชื่อนี้ผมไม่ถูกถามก็ปฏิญญาผมต้องครุกาบัตเห็นปา น, นี้คืออาบัติปาราชิกหรืออาบัตที่ใกล้ปาราชิกผมถูกถามแล้วจะไม่ปฏิญญาหรือภิกษุผู้เป็นโจท์นั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านอันหนึ่งท่านต้องอาบัตแม้เล็กน้อยข้อนี้ ท่านไม่ถูกถามแล้วจกไม่ประฏิ ญ, ญาท่านต้องครุกาบัติเห็นปานนี้คืออาบติปราชิกหรืออาบติที่ใกล้ปราชิกท่านไม่ถูกถามแล้วจกปฏิญญาหรือเอาเถิดท่านจงรู้ด้วยดีถ้าท่านระลึกได้ว่าต้องครุกาบัติเห็นปานนี้คืออาบติปราชิกหรืออาบติที่ใกล้ปราชิกภิกษุจำเลยนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผมระลึกได้ว่า ต้องครุกาบัตเห็นปานนี้คืออาบัตปราชิกหรืออาบัต ท, ที่ใกล้ปราชิกคำนั้นผมพูดเล่นคำนั้นผมพูดพล่อยไปผมระลึกไม่ได้ว่าต้องครุกาบัตเห็นปานนี้เพออาบัตปราชิกหรืออาบัต ท, ที่ใกล้ปราชิกภิกษุทั้งหลายสงพึงลงแตสปาปิยศกากกรรมนั่นก่ภิกษุนั้น แ, แล วิธีลงตัสปาปิยาสิกากรรมและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งสงพึงลงตัสปาปิยาสิกากรรมอย่างนี้คือภิกษุผู้ฉลาสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติจตุตกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้รูปนี้ถูกซักถามถึงครุกาบัตในถ้ำกลางสง์ปฏิเสธแล้วรับรับแล้วปฏิเสธ เอาเรื่องหนึ่งมากล่าวกลบเกลื่อนอีกเรื่องหนึ่งกล่าวเทศทั้งที่รู้ถ้าสงพร้อมกันแล้วสงพึงลงตัดสปาปิยะสิกากรรมไ ก, ก่ภิกษุชื่อนี้นี่เป็นญาติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้รูปนี้ถูกซักถามถึงครุกาบัตรในถ้ำกลางสงปฏิเสธแล้วรับรับแล้วปฏิเสธเอาเรื่องหนึ่งมากล่าวกลบเกลื่อนอีกเรื่องหนึ่งกล่าวเทศทั้งที่รู้ สงลงตัดสปาปิยสกากร ร, รมแก่ภิกษุชื่อนี้แล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการลงตัดสปาปิยสกากรรมแก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สองเขาพระเจ้ากล่าวความนี้ว่าแม้ครั้งที่สามเขาพระเจ้ากล่าวความนี้ว่าลนะถึงตัดสปาปิยาสกากรรมสงลงแล้วแก่ภิกษุชื่อนี้ สงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งเขาพเจ้าขอเถิดความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอธิกรระงับแล้วระงับด้วยอะไรด้วยสา ม, มุคขาวินัยกับตัสปาปิยะสิกาในสา ม, มุคขาวินัยนั้นมีอะไรบ้างมีความพร้อมหน้าสงความพร้อมหน้าธรรมความพร้อมหน้าวินยัยความพร้อมหน้าบุคคลในตัสปาปิยสิกานั้นมีอะไรบ้าง มีคุริยาความกระทำความเข้าไปความเข้าไปเฉพาะความรับรองความไม่คัดค้านกรรมเกอตัสปาปิยะสิกาอันใดนี้มีในตัสปาปิยะสกานั้นภิกษุทั้งหลายหากอธิกรระงับแล้วอย่างนี้ผู้ทำรื้อฟื้นต้องอาบัตปาจิตตีที่รื้อฟื้นผู้ให้ฉันทะติเตียนต้องอาบัตปาจิตตีที่ติเตียน ติญญาตกระณะอาปัตตาธิกรระงับด้วยสมถะสามอย่างอาปัตตาธิกรระงับด้วยสมถะเท่าไรอาปัตตาธิกรระงับด้วยสมถะสามอย่างคือ 1. ส ม, มุขาวินัย 2. ปฏติญญาตะกระณะ 3. ตินนวัฏฐานะบางทีอาปัตตาธิกรไม่อาศัยสมถะอย่างหนึ่งคือตินนวัฏฐานะ พึงระงับด้วยสมถะสองอย่างเผอหนึ่งสามุขาวินยัยสองปติญญาตะกรระบางทีพึงตกลงกันได้สมจริงนางี่ตรัสไว้ว่าพิกษุทั้งหลายพิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องละหุ ก, กาบัดแล้วเธอพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งคมอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบท้าภิษุผู้แก่พรรษาทั้งหลายนั่งกระยงประนมมือแล้วกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผมต้องอาบัตชื่อนี้ผมแสดงเคินอาบัตนั้นพิกษุผู้รับนั้นพึงกล่าวว่าท่านเห็นหรือพิกษุผู้แสดงนั้นพึงกล่าวว่าขอรับผมเห็นพิกษุผู้รับนั้นพึงกล่าวว่าท่านพึงสํารวมต่อไปพิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอธิกรณ์ระงับแล้วระงับด้วยอะไรด้วยสัมุขาวินัยกับปฏิญญาตะการะ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 ความเข้าไปเฉพาะความรับรองความไม่คัดค้านกรรมคือปติญญาตะกระณะอันใดนี้มีในปติญญาตะกระณะนั้นภิกษุทั้งหลายถ้าอธิกรระงับแล้วอย่างนี้ผู้รับรื้อฟื้นต้องอาบัตปาจิตติที่รื้อฟื้นถ้าได้การแสดงนั้นอย่างนี้นั่นเป็นความดีหากไม่ได้ภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุมากรูปด้วยกันโฮมอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่ง กราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษาทั้งหลายนั่งกระยงประนมมือแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าต้องอาบัติชื่อนี้ข้าพเจ้าแสดงคืนอาบัตินั้นภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้ภิกษุพวกนั้นทราบด้วยยติว่าขอท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้รูปนี้ระลึกเปิดเผยทำให้ตื่นแสดงอาบัติถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้ว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 ความไม่คัดค้านกรรมคือปฏิญญาตะกรณะอันใดนี้มีในปฏิญญาตะกรณะนั้นภิกษุทั้งหลายถ้าอาธิกรระงับแล้วอย่างนี้ผู้รับหรือฟื้นต้องอาบัตปาจิตตีที่รื้อฟื้นถ้าได้การแสดงนั้นอย่างนี้นั่นเป็นความดีหากไม่ได้ภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาสงโฮมอุตราสงฉเฉวียงบาข้างหนึ่งกราบท้าพิกษุผู้แก่พรรษาทั้งหลาย นั่งกระยมงประนมมือแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญผมต้องอาบัตชื่อนี้ผมแสดงคืนอาบัตนั้นภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยัติกรรมว่าท่านผู้เจริญขอสงชงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้รูปนี้ระลึกเปิดเผยทำให้ตื่นแสดงอาบัตถ้าสงพร้อมกันแล้วข้าพเจ้าพึงรับอาบัตของภิกษุชื่อนี้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 ความพร้อมหน้าบุคคลและถึงภิกษุทั้งหลายถ้าอาธิกรระงับแล้วอย่างนี้ผู้รับรื้อฟื้นต้องอาบัตปาจิตตีที่รื้อฟื้นผู้ให้ฉันทะติเตียนต้องอาบัตปาจิตตีที่ติเตียน วัารกะบางทีอาปตตาธิกรไม่อาศัยสมถะอย่างหนึ่งเคอปฏิญญาตะกรณะพึงระ ง, งับด้วยสมถะสองอย่างคือหนึ่งสามุขาวินยัยสองดินาวัฏารกะบางทีพึงตกลงกันได้สมจริงดังที่ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ผู้ภิกษุปาดหมางทะเลาะวิวาทกันอยู่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 บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงเป็นไปเพื่อความรุนแรงเพื่อความร้ายกาจเพื่อความแตกกันก็ได้ภิกสุทั้งหลายเราอนุญาตให้ระงับอธิกรณ์เห็นปานนี้ด้วยตินนวถารกะวิธีระงับอธิกรณ์ด้วยตินนวถารกะและกรรมวาจาภิกสุทั้งหลายสงพึงระงับอธิกรณ์อย่างนี้เ่อภิสุทุกทุกรูปพึงประชุมในที่แห่งเดียวกัน ครั้นแล้วภิกษุผู้ชลาสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าพวกเราบาดหมางทะเลาะวิวาทกันอยู่ประพฤติละเมิดสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณะเป็นอาจินมากมายทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทําด้วยกายถ้าพวกเราจะปรับอาบัตเหล่านี้กันละกันบางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงลุกลามไปเพื่อความรุนแรง เพื่อความร้ายกาจเพื่อความแตกกันก็ได้ถ้าสงพร้อมกันแล้วสงพึงระงับอธิกรณ์นี้ด้วยตินนวัารกะเว้นอาบัตที่มีโทษหยาบเว้นอาบัตที่เนื่องด้วยครหัดลำดับนั้นบรรดาภิกษุฝ่ายเดียวกันภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้ฝ่ายของตนทราบด้วยยัติกรรมวาจาว่าขอท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าพวกเราบาทหมางทะเลาะวิวากันอยู่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 เว้นอาบัตที่มีโทษหยาบเว้นอาบัตที่เนื่องด้วยครหัดเพื่อประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายและเพื่อประโยชน์แก่ตนลำดับนั้นบรรดาภิกษุฝ่ายเดียวกันอีกพวกหนึ่งภิกษุผู้ฉลาสามารถพึงประกาศให้ฝ่ายของตนทราบโด้ยยติทุติยกรรมวาจาว่าขอท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าพวกเราบาทหมาทะเลาะวิวาสกันอยู่ได้ประพฤติละเมิดสิ่งที่ไม่ควรแก่สมณะเป็นอาจินมากมาย ทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทำด้วยกายถ้าพวกเราจะปรับอาบัตเหล่านี้กันละกันบางทีอันทีกรอนนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อความรุนแรงเพื่อความร้ายกาจเพื่อความแตกกันก็ได้ถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้วเขาไปเจ้าพึงแสดงอาบัตของท่านทั้งหลายและอาบัตของตนในถ้ำกลางสงด้วยติ น, นวัธารกะเว้นอาบัตที่มีโทษหยาบเว้นอาบัตที่เนื่องด้วยครหัต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 ในทถํากลางสงศ์ด้วยตินนวัถาระกะเว้นอาบัต ท, ที่มีโทษหยาบเว้นอาบัต ท, ที่เนื่องด้วยครหัดเพื่อประโยชน์แก่ท่านเหล่านี้และเพื่อประโยช น, น์แก่ตนท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแสดงอาบัตเหล่านี้ของพวกเราในทถํากลางสงฆ์ด้วยตินนวัารกะเว้นอาบัติที่มีโทษหยาบเว้นอาบัต ท, ที่เนื่องด้วยครหัดท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วง อาบัตเหล่านี้ของพวกเราเว้นอาบัตที่มีโทษหยาบเว้นอาบัตที่เนื่องด้วยครหัตข้าพเจ้าแสดงแล้วในถ้ำกลางสง์ด้วยตินวัาฐาะสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ลำดับนั้นบรรดาภิกษุฝ่ายเดียวกันอีกพวกหนึ่งละถึงข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าอธิกรณ์ระงับแล้วระงับด้วยอะไรระงับด้วยสา ม, มุขวินัยกับตินนวัารกะในสา ม, มุขวินัยนั้นมีอะไรบ้างมีความพร้อมหน้าสงฆ์ความพร้อมหน้าธรรมความพร้อมหน้าวินยัยความพร้อมหน้าบุคคลอันหนึ่งความพร้อมหน้าสงฆ์ในสามมุขวินัยนั้นอย่างไรภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำนวนเท่าใดภิกษุเหล่านั้นมาประชุมกัน นำฉันทะของผู้ควรฉันทะมาผู้อยู่พร้อมหน้ากันไม่คัดค้านนี้ชื่อว่า ค, ความพร้อมหน้าสงฆ์ในสามุขาวินัยนั้นอันหนึ่งความพร้อมหน้าธรรมความพร้อมหน้าวินัยในสามุขาวินัยนั้นอย่างไรอธิกรนั้นระงับโดยธรรมโดยวินัยและโดยสัตุศาสตร์ใดนี้ชื่อว่าความพร้อมหน้าธรรมความพร้อมหน้าวินัยในสามุขาวินัยน <fal is> ั้น อันหนึ่งความพร้อมหน้าบุคคลในส ม, มุขาวินัยนั้นอย่างไรผู้แสดงและผู้รับแสดงทั้งสองอยู่พร้อมหน้ากันนิชื่อว่าความพร้อมหน้าบุคคลในส ม, มุขาวินัยนี้ในตินนวัถารกานั้นมีอะไรบ้างมีกิริยาความกระทาความเข้าไปความเข้าไปเฉพาะความรับรองความไม่คัดค้านกรรมคือตินนวถารกะอันใด นี้มีในติ น, นวัาระกะนั้นภิกษุทั้งหลายถ้าอธิกรระงับแล้วอย่างนี้ผู้รับรือฟื้นต้องอาบัติปาจิตติที่รื้อฟื้นผู้ให้ฉันทะติเตียนต้องอาบัติปาจิตติที่ติเตียนกิจจาทิกรระงับด้วยสมถะเท่าไหร่กิจจาธิกรระงับด้วยสมถะอย่างเดียวคือสมุขาวิในอธิการณะอุปปะสมณะสมถะ สมถะขันธกะที่สจบ